ความเบื้องต้นในหนึ่งสือวิญญาณฉบับนี้หมายถึงฉบับที่ 2 และ 3 ประจำเดือน 2509 ซึ่ง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 ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้มีนิทรรศการทางจิตเพื่อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ที่ห้องฝึกสมาธิของแผนกคำวิจัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยผู้สนใจก็ ต้นจะไม่มีการลบจะเก็บไว้เป็นสมบัติของผู้ที่ต้องการจะศึกษาคนคว้าในเรื่องนี้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าหมายถึงข้อความๆ ส่วนข้าพเจ้าได้เก็บใจความมาเขียนไม่ใช่ลอกข้อความมาทั้งหมดที่ถ่ายในๆๆ โอปปาติกาเมื่อถึงเวลาที่นัดที่ส่วนบุคคลที่จะเป็นพยานรู้เห็นตอบปัญหาจะเป็น เพื่อและเรื่องอันใดที่เห็นว่าได้มาซึ่งเรื่องราวที่ 1 ถ้าหากมีปัญหาที่จะให้ท่าน อัน 1 ท่าน คนโดยมากมักจะเข้าใจว่ามักจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในเป็น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 ข้าพเจ้าศึกษาเรื่องนี้ด้วยความระมัดแม้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 เล่าเสียง 3 2509 เวลา 20 น. น, น, น, นเช่นอาจารย์คุณกิติชาตพุทธสุขคุณกิตติชาติพัฒนาประภาพันธ์คุณ สำหรับโอปปาติกะซึ่ง 6 ปีล่วงมาแล้วล่วงมาแล้ว 300 คนแม้มาชา ดินฟ้า πλέν απλά,